มาจไหนกันกรุงเทพครับเคยมาหรอป่ะเคยมาครับเคย ม, มาแล้วอวันนี้ตั้งใจจะมาทำอะไรห่ะอล่ามาวัดเออาวพื่ออะไรที่มาคแม่แต่งไม่เคยมามาคราบครับที่วัดก็มีแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะ สอนเพื่อให้เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลผลก็คือจะให้ใจเราสบายใจเราวุ่นวายใจเราไม่สบายเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเดยปล่อยให้ใจคิดไปในทางที่วุ่นวายถ้าเรา ได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เร า, เาคิดไปในทางที่ดีหรือไม่เช่นนั้นก็ให้หยุดคิดถ้าคิดไปในทางที่ดีไม่ได้ก็หยุดคิดก่อนเป็่องจาเราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปแล้วไม่สบายใจก็หยุดคิดถ้าหยุดคิดแล้วเราก็จะหายจากความไม่สบายใจ ชั่วคราวแต่พอเรากลับไปคิดใหม่เราก็จะไม่สบายใจใหม่แต่ถ้าเรารู้จักคิดคิดให้สบายใจเราก็จะไม่ต้องหยุดคิดก็ได้ให้คิดไปในทางที่จะทำให้เราสบายใจความคิดของเราที่เราให้ทําทำให้เราไม่สบายใจพอเราคิดไปในทางที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างนี้แต่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพอความจริงกับความอยากของเราไม่เหมือนกันเราก็ไม่สบายใจเช่นอยากให้ลูกเราดีอยากให้ลูกเราอยู่ในโอวาสของเราพอเขาไม่ดีหรือเขาไม่อยู่ในโอวาสของเราเราก็ไม่สบายใจถ้าเราอยากจะ หาจากความไม่สบายใจก็อย่าไปอย่าไปอยากให้เข า, าดีอย่าไปอยากให้เข า, อ, าอยู่ในโอวาทของเราด้วย อ, อย่าไปคิดถึงเขาเป็นพอคิดถึงเขาที่ไรก็ไม่สบายใจทุกทีเราก็ดึงใจกลับมาอย่าไปคิดถึงเขาคิดเรื่องอื่นเช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือคิดอยู่กับการสวดมนต์ไป บสวดมนต์ถ้าเราสวดไปพูดโทไปเราก็จะไม่ไปคิดถึงเขาพอเราไม่คิดถึงเขาเราความไม่สบายใจก็จะหายไปแต่อันนี้หายแบบชั่วคราวหายแบบเดี๋ยวพอเราไปคิดถึงเขาอีกเราก็จะไม่สบายใจเพราะคิดถึงเขาที่ไรก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะ ให้คิดถึงเขาแล้วสบายใจก็ต้องคิดตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราสั่งฝนไม่ให้ตกไม่ได้ฝนจะตกถ้าเราอยากให้ไม่ตกนี่เราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราบอกว่าเราห้ามฝนไม่ได้ถ้าฝนอยากจะตกก็ปล่อยให้เขาตกไป พอฝนตกหรือไม่ตกเราก็ไม่เราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่วุ่นวายใจฉะนั้นความคิดของเรานี้ต้องคิดไปในทางที่เป็นความจริงความจริงเป็นอย่างไรเราก็ต้องคิดแบบนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ดีก็คิดว่าเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เราทำได้ก็เพียงแต่บอกเขาสอนเขาถ้าเขาเชื่อก็ดีไปเขาไม่เชื่อเราก็ไปทำอะไรไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกใจไปกับเขาถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้เราได้แต่เพียงแต่แนะนำบอกเขาเท่านั้นเองว่าทำตัวอย่างไรให้ดี ส่วนเขาจะทำอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของเขานะเป็นความจริงของเขาอันนี้เป็นคือสิ่งที่เราต้องคิดแบบนี้กับทุกเรื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดที่เราไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆเพราะความอยากของเรากับความจริงของเขามันไม่เหมือนกันถ้าความอยากของเราความจริงเหมือนกันเราก็สบายใจอยากให้เขาดีเขาก็ดี นี่เราก็สบายใจแต่อยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีก็เขาก็ไม่สบายใจแสดงว่าความอยากความอยากของเราไม่ตรงกับความจริงนะเพราะ้เราต้องดูความจริงแล้วให้ใจเรารับความจริงให้ได้อย่าไปเปลี่ยนความจริงเพราะเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้เปลี่ยนแล้วเราก็จะทุกข์ เราอยากจะเปลี่ยนเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาหัดคิดกันใหม่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็หยุดคิดไปก่อนดีกว่าเวลาคิดถึงเรื่องอะไรแล้วทำให้ไม่สบายใจก็หยุดคิดเสียดึงใจมาคิดเรื่องที่ทำให้เราใจไม่ไม่วุ่นวายใจสงบ อัดพุดโทโธพุโทโธอัดสวดมนต์กันไว้เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่วา่าเวลาที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นอันนั้นเป็นเพียงการฝึกขัดในแนวปฏิบัตินี้ต้องเวลารถมันจะออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางเราก็เหยียบเบรกซะมันจะได้ปลอดภัยเวลาใจของเราคิดนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางของความจริง คิดเพ้เจอ้อเพอ้อฝันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะทุกข์ไปเปล่าๆนี่คือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาควบคุมความคิดของใจให้คิดไปในทางที่จะทำให้เราสบายใจ อย่าไปคิดไปในทางที่จะทำให้เราวุ่นวายใจเพราะว่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรความจริงเขาเป็นอย่างไรเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดตรงกับความเป็นจริงเราก็จะสบายใจถ้าเราคิดขัดกับความเป็นจริงเราก็จะไม่สบายใจตอนนี้เราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ เวลาเราคิดเรื่องอะไรมันก็จะคิดไปถึงแม้เราจะไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็หยุดคิดไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรกเราไม่เคยหัดหยุดความคิดของเราเพอเวลามันออกนอกรูนอกทางมันก็ไปเลยตกหนุ้มตกบอ่อตกเหวไปเลยแต่ถ้าเรามาหัดควบคุมความคิดหยุดความคิดบ้าง พอเวลาที่ใจจะคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็มาหยุดมันอย่าไปคิดถึงมันตอนนี้เราต้องมาหัดหยุดความคิดกันก่อนมาติดเบรกให้กับใจใจก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่ไม่มีเบรกนี่มันอันตรายนะลองขับลงลงเขาดูถ้าไม่มีเบรกเดี๋ยวมันก็ต้องแหกโคง พราะมันหักเข้าโค้งไม่ได้ความเรือมันสูงถ้าหักเข้าโค้งมันก็เพิกความน อ, อีก น, นี้ใจของเราก็เหมือนกันใจเราเหมือนรถวิ่งลงเขามันมีความอยากคอยเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งความอยากของเรานี่แหละเป็นเหมือนคัน คันเร่งที่จะทำให้ใจของเรานี้วิ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อน แ, แล้วพอจะจะพอถึงทางโค้งก็ก็เรี้ยวหักเข้าโค้งไม่ได้ต้องแหกโค้งไปหรือเวลาถึงสี่แยกก็หยุดไม่ได้ก็ต้องพุ่งไปชนกับรถของคันอื่นที่เรามีเรื่องมีล้วกับคนนั้นคนนี้ก็เพราะเราไม่มีเบรกกันพอมาถึงสี่แยกก็ชนกัน เราคิดอย่างหนึง่งเราคิดอย่างหนึง่งเขาอยากจะทำอย่างนั้นเราอยากให้เขาทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปคนกระทางกันลนะมันก็จะชนกันชนกันแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความเสียใจขึ้นมนาะแล้วก็อาจจะไปทำให้ต้องมีเรื่องมีราวกันมีปัญหาต่อกันนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เรา มาควบคุมความคิดของเราให้หยุดความคิดแล้วก็ให้ดึงความคิดไปคิดตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรให้เราให้เราคิดกับความเป็นจริงอยากให้อยากให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เช่นเขาไม่ดีก็อยากให้เขาไม่ดีพอเราอยากให้เขาไม่ดีเขาไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจเพราะเขาไม่ดีเราก็ได้ตามความ ตามใจของเราเขาเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ดีก็ให้เขาไม่ดีไปคิดอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วเขาไม่ฟังเขาอยากจะเป็นอย่างนี้เช่นเขาอยากจะดื่มสุราเราก็บอกเขาว่าอย่าดื่มสุราแต่ถ้าเขาดื่มแล้วเราอยากให้เขาไม่ดื่มเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราคิดว่าเราบอกเขาแล้วห้ามเขาแล้ว แต่เขาจะดื่มแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ความจริงของเขาเป็นอย่างนี้เขาชอบดื่มสุรา <LIVE> เขาต้องดื่มสุราก็ปล่อยเขาเดื่มไปพอเราปล่อยเขาเราไม่อยากไปให้เขาไม่ดืม่มเราก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้เรื่องของคนอื่นเรื่องของเราก็เหมือนกันใจของเราบางทีก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอยากให้เราเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็ ไม่สบายใจอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอไม่ได้ก็จะไม่สบายใจเราก็ต้องดูความจริงว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเรามีอะไรเราได้อะไรก็ให้เรามีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ไปอย่าไปเป็นอย่างอื่น นอกจากว่าเราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนไปถ้าเราคิดว่าเราทำให้เราดีกว่านี้ได้เราก็ทำไปถ้าได้เราก็ก็ดีไปถ้าไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เราเปลี่ยนเราไม่ได้เราต้องเป็นอย่างนี้เช่นร่างกายของเรานี้เราไปเปลี่ยนมันได้ไหมไปสั่งมันได้ไหมสั่งให้หน้าตาเราเป็นอย่างอื่นได้ไหม บางอย่างเราก็สั่งมันได้ผมนี่เราสั่งให้มันสั้นได้สั่งให้มันยาวได้เปลี่ยนสีของมันได้ย้อมสีกันได้แต่ของบางอย่างในร่างกายนี้เราไปสั่งมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เวลาหนังมันเหี่ยวมันแก่มันย่นนี้เราไปสั่งให้มันไม่ไม่เหี่ยวไม่ย่นได้หรือเปล่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยไปสั่งไปห้ามแม่มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า เวลามันจะตายเราไปห้ามมันได้บ่าถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์เพราะมันมันไม่ตรงกับความจริงของมันความจริงของมันก็คือมันต้องตายความจริงของมันมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ไปฝืนความจริงของร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์กับความจริงของร่างกาย จะไม่ทุกกับความแก่จะทจะไม่ทุกกับความเจ็บจะไม่ทุกกับความตายเราต้องหัดมาคิดในทางที่เป็นจริงถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นแต่เรารู้ว่ามันจะต้องเป็นต่อไปแค่นั่งกายของเรามันก็จะต้องแก่ไปเรื่อยๆมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็ต้องตายไปเราต้องหัดคิดแบบนี้บ้าง คิดไว้เพื่อที่เวลาถึงเวลาเป็นเราจะได้บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันแก่เปลี่ยนให้มันทําให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําให้มันหายก็ไม่ได้ถ้าจะให้มันหายทันทีไม่ได้แต่ถ้าไปรักษาก็อาจจะหายก็ได้แต่บางทีรักษาก็อาจจะไม่หายก็ได้ โรคมันก็มีหลายแบบหลายชนิดโรคบางอย่างก็รักษาได้บางอย่างก็รักษาไม่ได้มันรักษาไม่ได้เราจะทำยังไงเราจะไปอยากให้มันรักษาได้มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากมันก็จะทุกข์ถ้าคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษามันก็อยู่กับมันไป มันจะหายเองก็หายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปมันจะทําให้ตายก็ปล่อยให้มันตายไปเพราะความจริงของร่างกายของทุกคนในที่สุดมันก็ต้องตายไปไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปตลอดจะต้องมีวันตายสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วแต่ใจไม่ได้ตายกับร่างกายแต่ใจไปทุกข์กับร่างกายเข้าใจไม่รู้ วิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไม่รู้จักวิธีคิดที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายก็คิดตามความจริงของร่างกายร่างกายเขาจะแก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ปล่อยเขาแก่ไปเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเขาจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับเขา ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบา่าวร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ใจเป็นเหมือนเจ้านายที่คอยสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆให้กับใจอย่างวันนี้ก็สั่งให้พามาที่วัดเนี่ยใจเป็นคนสั่งเพราะใจมาเองไม่ได้ใจต้องมีร่างกายพามาก็เลยสั่งให้ร่างกายมาวัด แต่ร่างกายที่รับใช้ใจ่ายนี้มันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดแล้ ว, ลวพอตายไปจ่ายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเปลนไปเปลี่ยนคนรับใช้ใหม่ไปเกิดใหม่เวลาออกมาจากท้องแม่นี่ก็ได้คนรับใช้คนใหม่แล้วได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็มาสอนร่างกายอันใหม่คนรับใช้ใหม่ใ ห, ให้ให้รู้จักเดินรู้จักทําอะไรต่างๆ เพื่อต่อไปเราจะได้ใช้ให้เขาทำอะไรตามที่เราอยากให้เขาทำได้เราก็ทำอย่างนี้กับร่างกายมาเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆเพราะเรายังทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องอาศัยร่างกายไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เรามีความสุขแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านฉลาดท่านรู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายท่านพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถท่านใช้ใจพึ่งใจเองใจไม่ต้องไปพึ่งร่างกายก็ได้วิธีไม่พึ่งร่างกายก็ต้องสร้างความสุขให้กับใจความสุขของใจก็เกิดจากการควบคุมความคิดนี่แหละถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นความสุขที่จะอยู่กับคู่กับใจไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากร่างกายเวลาร่างกายหมดไปความสุขที่ได้จากร่างกายก็หมดไปหรือเวลาร่างกายแก่หรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถใช้ร่างกาย หาความสุขต่างๆได้พอหาไม่ได้เราก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันพราเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องทุกข์กันวิธีที่หาความสุขโดยที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์พอะเราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราก็สามารถมีความสุขได้วิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ ถ้าใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายเหมือนกับเราได้รถกระบะมาใช้แต่ความสุขที่ได้จากใจเหมือนกับเราได้รถเก่งมาใช้ถ้าเราได้รถเก่งเราก็ทิ้งรถกระบะได้ รถเก๋งนั่งสบายกว่ามีรถกระบะแต่ถ้าไม่มีรถเก๋งก็ต้องใช้รถกระบะไปก่อนตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขทางใจกันเราก็เลยต้องไปพึ่งความสุขทางร่างกายกันเราก็ต้องมาทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้โดยเวลาที่เราไม่สามารถหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ แช่เราต้องมีความสุขกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรส ถ, ถ้าเราไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราความสุขกับเราได้เราก็จะไม่มีความสุขหรือถ้าเรามีรูปเสียงกลิ่นรสแต่ตาหูจมูกล่นกายเราไม่ดีตาบอดหูหนวกเราก็ยังไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ดังนั้นความสุขแบบนี้จึงเป็นความสุขที่ ไม่แน่นอนแล้วก็จะต้องเกิดวันที่เราจะไม่สามารถหามันได้ <c oughs> เวลาไม่ได้มันก็จะทำให้เราไม่สบายใจทุกใจกันแต่ความสุขที่เราได้จากการหยุดความคิดนี้พอเราทำได้แล้วเราก็จะทำได้เรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็จะอยู่กับเราเพราะมันมันเป็นความสุขที่ไม่ตายเหมือนไม่ไ ม, ไม่ไม่ตาย ของต่างๆในโลกนี้มีเสื่อมมีเปลี่ยนแปลงมีมีหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องพังต้องหมดไปแต่ใจนี้ไม่มีวันหมดยิง่งเรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาฝึกหยุดความคิดกันวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติใช้เบรกสติคือเบรกสติ ตอนนี้เราไม่มีกำลังเวลาเราคิดอะไรแล้วเราอยากจะหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดนะ ท, ทั้งที่เรารู้ว่ากำลังคิดไม่ดีแต่ก็หยุดมันไม่ได้แสดงว่าสติเราไม่มีกำลังเราก็ต้องมาสร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังมากขึ้นวิธีสร้างสติก็ต้องให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวรู้อยู่กับเรื่องเดียวจะให้คิดอยู่กับพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียว หรือถ้าในตอนต้นยังอยู่กับเรื่องเดียวไม่ได้ก็ให้อยู่กับเรื่องที่ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีอารมณ์ที่จะทำให้เราไม่สบายใจเช่นสวดพุทธสวดมนต์ไปท่องบทท่องมนต์ไปเพราะมนต์นี้จะไม่มีความหมายที่จะทำให้เราเกิดความวิตกกงังวลเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาสวดมนต์ไป ถ้ายังอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ได้ก็ลองสวดอรารหังสัมมาสว่กข้าโตสุปัิปโนไปถ้าท่องพระสูตรได้ยิ่งดีสวดสตรพระธรรมจักสวดสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมันยาวสวดไปแล้วก็ใจก็จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆกับเรื่องราวต่างๆก็ไม่มี สำหรับพระที่บวชนี้ท่านก็สอนให้หัดท่องปาฏิโมกข์กันนะปาฏิโมกข์ก็คือสีนสองร้อยิบเจ็ดข้อท่องท่องสอง้ยิบเจ็ดข้อใช้เวลาประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทนะีถ้าท่องได้ก็เวลาท่องนี้ใจจะเย็นจะสบายจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าต้องพระต้อง ต้องลงประชุมกันแล้วก็สวดปฏิโมกทุกสิบห้าวันเป็นการทบทวนศีลปฏิโมกก็คือศีลสองรอยบเจ็ดข้อของพระแต่ไม่ได้สวดทุกองใ ห, ให้ให้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สวดเป็นเหมือนผู้แสดงธรรมแสดงศีลสอง้อยี่สเจ็ดข้อส่วนพระรูปมือนก็นั่งฟังเพื่อเป็นการทบทวนศีลที่พระจะต้องรักษา เนกับญาติโยมาทุกวันพระก็มาวัดเพื่อมาทบทวนศีลกันมาสมาทานศีลห้าศีลแปดกันเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องรักษาศีลกันเพราะศีลจะช่วยทําให้การกระทําของเรานี้ไม่มีปัญหานั่นเองไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆนี่ก็คือเรื่องของการฝึกหัดควบคุมความคิดนะ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้ก็ท่องพุโทโธไปเลยลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไปไม่ว่าเราทําอะไรก็พุโทโธไปลัางหน้าก็พุโทโธไปแปลงฟันก็พุโทโธไปหวีผ้าหวีผมทํากับข้าวกินอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอยากไปคิดอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้น เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นึงมันกลับมาให้อยู่กับพุโทโธดีกว่าถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเช่นเรื่องงานการที่เราต้องทำวันนี้มีงานต้องทำไปทำอะไรก็คิดได้วางแผนเตรียมตัวได้แล้วก็ไปทำแต่อย่าไปคิดเพอเจ้อว่าจะต้องทำให้สาเร็จจะต้อ ง, ไ ด, องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ต้องดูความจริงไปทำไปแล้วผลมันเป็นยังไงก็ รับผลนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็จะเสียใจได้เมื่อไม่ได้ดังใจอยากนี่คือคิดแบบที่มีเหตุมีผลแล้วก็จะไม่วุ่นวายใจถ้ามีปัญหาถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยเหนือความสามารถของเรา จะไปอยากแก้แล้วแก้ไม่ได้ก็ทุกไปเปล่าๆก็แก้เท่าที่เราแก้ได้แก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็แล้วไปเพราะว่าเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีเรากับปัญหาต่างๆที่มีอยู่นี่สักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปพอร่างกายนี้ตายไปเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็หมดไปอยู่ดี เหนบางทีเราต้องคิดถึงความตายบ้างแล้วเราจะได้โปร่งได้วางได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาทุกปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างหัวมันช่างมันบ้างถ้าเราช่างมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราช่างมันไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้ต้อง ต้องทำให้ได้ดังนั้นมาหัดหยุดความคิดกันมาควบคุมความคิดกันเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีก็เดึงมาด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้ด้วยการอยู่กับพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเราไม่ฝึกทำไว้เวลาถึงเวลาจะทำมันทำไม่ได้เพราะใจเราไม่ชอบคิดกับพุทโธไม่ชอบคิดอยู่กับบทสวดมนต์ ชอบคิดอยู่กับเรื่องการหาราบยศสนรเสริญคิดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายและพอไปเจออุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้ทำในสิ่งที่เราอยากได้เราก็วุ่นวายใจไม่สบายใจแล้วสิ่งที่เราได้มาทำมามันก็ได้มาแล้วมันก็หมดไปดีใจเดียวเดียวสบายใจเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอ เรื่องใหม่ปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกสู้มาหยุดความคิดดีกว่าหยุดความคิดแล้วก็มีความสบายใจพอมีความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้อันนี้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้า วิธีของพวเราต้องมีราบยศสรรเสริญต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนพอเวลาไม่มีขึ้นมาก็วุ่นวายกันเราต้องถ้าเราอยากจะพบวิธีที่ให้ความสุขกับเราไม่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ต้องมาหัดใช้วิธีของพระพุทธเจ้าแต่เวลาจะหัดนี่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อย มืนกับถ้าเราเคยถนัดมือขวาอย่างนี้พอเราต้องมาใช้มือซ้ายมันก็จะไม่ถนัดนแต่ถ้าเราหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดใช้มือซ้ายได้คนที่เข า, เาถนัดมือขวาแต่มือขวาเขาเสียไปเขาก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายแล้วพอเขาหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใช้ได้มือขวามือซ้ายมันไม่ต่างกันอย่างนคนถนัดซ้ายก็จะ ทำมันก็ใช้มือซ้ายถนัดกว่ามือขวามือซ้ายมือขวานี้มันก็เหมือนกันอยู่ที่ความถนัดเราเคยใช้มือไหนมันก็จะถนัดใช้มือนั้นพอไปใช้มือที่เราไม่ได้ใช้มันก็ไม่ถนัดตอนนี้เราก็ถนัดกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายกั น, นถนัดการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่วันหนึ่งเราจะต้องไปเจอ ว่าเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นคนที่เป็นอมภพุกเป็นอมภ่านี้เขาไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แต่ถ้าเขารู้จักใช้ใจหาความสุขได้เขาก็ไม่เดือดร้อนกูบาอาจารย์บางรุ่นนี่ท่านเป็นอมภพุกอมภ่าแต่ท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายท่านใช้ใจหาความสุขได้ท่านนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่ ท่านไม่ทุกเลยใจท่านมีความสุขเพราะฉันหาความสุขด้วยการใช้ใจไม่ได้หาความสุขด้วยการใช้ร่างกายเห็นตอนนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีใช้หาความสุขด้วยร่างกายเราควรที่จะมาฝึกกันเพราะว่าต่อไปร่างกายของเราจะต้องเป็นอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแก่บ้างต้องเจ็บบ้างต้องพิกลพิการบ้าง หรือต้องตายบ้างถ้าเรารู้จักหาความสุขด้วยใจของเราเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่การมีร่างกายอันใหม่มันก็ไม่ดีเพราะมีแล้วมันก็ต้องริมดนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ต้องมา ต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่เกิดเลยสบายกว่าคนที่มาเกิดคนเกิดก็ต้องมาแบกภาระของร่างกายไปจนวันตายแล้วก็ในที่สุก็ไม่ได้อะไรจากร่างกายพอมันตายไปก็จบสิ่งต่างๆที่หาได้จากร่างกายก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลย แต่การหาความสุขทางใจนี้มันจะติดไปกับใจความสุขนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของ พ, าาพ ục, รงะสาวกอรหันตสาวกตอนนี้ท่านก็ยังมีความสุขอยู่ใจของท่านไม่ต้องมีร่างกายท่านไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายท่านก็ยังอยู่เหมือนกับพวกเราอยู่กันทุกวันนี้เพียงแต่ท่านไม่ได้อยู่แบบมีร่างกายพวกเราอยู่แบบมีร่างกาย เราเลยอยู่แบบวุ่นวายกันเพราะร่างกายมันจะต้องคอยปกป้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังต้องมาหาร่างกายใหม่ต่อเพราะเรายังต้องพึ่งร่างกายก็เลยต้องมาเกิดใหม่ก็มาเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทุกกับร่างกายอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีให้เราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เรามาใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าด้วยการมาหัดหยุดความคิดมาหัดควบคุมความคิดให้คิดไปในทางในในในทางความเป็นจริง ให้มันคิดตามความเป็นจริงร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราต้องคิดแบบนี้อย่าไปฝืนว่าอย่าไม่ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแล้แล้วเราก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีถ้าเราปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็สบาย การจะไม่ใช้ร่างกายได้ก็ต้องหยุดความคิดทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจว่าต่อไปนี้เลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆเวลาอยากจะดูอะไรก็อยา่าดูเวลาอยากจะฟังอะไรก็อยา่าฟังอย่าใช้ร่างกายหาความสุขเวลาอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วจะมีความสุขมากกว่า แล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันไหนเม่พระพุทธเจ้าพระอรหนันต์มร่างกายของท่านตายไปท่านก็ไม่กลับมามีใหม่แล้ะเมื่อก่อนท่านก็กลับมามามีใหม่เหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าก็เกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วแต่หลังหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นควา้าความจริง ก็ได้สองคนพบวิธีที่ไม่ต้องใช้ร่างกายให้ความสุขจะวิธีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการควบคุมความคิดด้วยการหยุดความคิดด้วยการทําลายความต้องการความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขพอทำลายความอยากเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไป ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เพราะใจของท่านกับใจของพวกเราก็ไม่มีวันตายเหมือนกันเแต่ว่าท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายพวกเราอยู่แบบมีร่างกายแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถเลิกใช้ร่างกายได้ถ้าเราไม่มาฝึกควบคุมความคิดหยุดความคิดเราก็จะยังต้องใช้ร่างกายต่อไปแล้วก็ต้องทุกกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของเราได้หรือสิง่งต่างๆที่เราต้องการให้ความสุขเราไม่สามารถตอบสนองเราได้เราก็จะทุกข์กันงิ่นมาอาจใช้วิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมามาฝึก ควบคุมความคิดกันมาติดเบรคให้กับใจมาสร้างสติด้วยการหมันระลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปหรือจะใช้การเพ่งดูร่างกายตลอดเวลาก็ได้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาจดจ่ออยู่การทำงานของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับร่างกายไปอย่าไปอยู่ที่อื่น อย่าไปทําอย่าปล่อยให้ร่างกายทํางานแล้วเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยแต่ถ้าให้มันมาอยู่กับการทํางานของร่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือถ้ามันจะไปก็ใช้พุโทโธดึงไว้อีกอันหนึ่งก็ได้ใช้พุโทโธพุทโธไปมันก็ไปไม่ได้ แล้วถ้าเรามานั่งเฉยๆได้เราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้เดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วเราก็จะสบายมีความสุขแล้วเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ทุกครั้งที่อยากจะใช้ร่างกายก็มานั่งสมาธิแทนมาหยุดความคิดกันมาหยุดความอยากกันแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน E: เหมือนกับรถยนต์รถยนต์มันจะเสียก็ไม่เป็นปัญหาเลยเราไม่ได้ใช้รถยนต์รถยนต์มันยางจะแตกก็ปล่อยมันแตกไปรถสตาร์ทไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะเรามไม่ได้ใช้รถจอดมันทิ้งไม่เฉยๆเพราะเราไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านเราสามารถหาความสุขในบ้านได้เราก็ไม่ต้องใช้รถยนต์พาเราไปตามสถานที่ต่างๆร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์พาเราไปหาความสุขต่างๆ แต่ถ้าเราสามารถหาความสุขภายในใจเราได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแล้วไปทําไมไปให้โง่ทำไมไปให้เหนื่อยทําไมอยู่บ้านแสนจะสบายอยู่กับที่แสนจะสบายออกไปข้างนอกก็ต้องเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเงินทองเตรียมรถเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็ไปติดบนท้องถนนอ ไปมีปัญหาบนทางถนนไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไม่ชอบกันอย่างที่เราอยู่บ้านไม่ติดกันก็เพราะาเราไม่มีความสุขในใจเลยต้องออกหาความสุขข้างนอกบ้านกัน้องใช้ร่างกายพาไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วลองมาหาความสุขแบบที่พรเจ้าทรงสั่งสอนบ้าง มันก็ไม่ได้เป็นเส้เรื่องสุดวิสัยทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าต้องต้องหัดทำให้ได้เท่านั้นเองมันก็เหมือนกับการหัดใช้มือมือที่เราไม่ถนัดลองสมมติว่ามือที่เราถนัดมันเสียแล้วเราต้องใช้มือที่ไม่ถนัดดูใหม่ๆมันก็ยากมันก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องทำมันก็ทำได้ ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทาได้าการหัดพุดโทโธพุโทโธใหม่ๆมันก็จะยากเพราะมันไม่ชอบพุโทโธมันจะชอบคิดแต่พอเราฝืนบังคับมนให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชำนาญขึ้นมาเองแล้วต่อไปมันก็จะพุโทโธได้จะสวดมนต์ได้นั่งเฉยๆนั่งทำใจให้สงบไม่คิดหรืออะไรได้ พอหยุดความคิดได้หยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นวิธีหาความสุขได้เราก็สบายอยู่เฉยๆได้ไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เพราะเรายังสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้อยู่ <c oughs> น, นี่ก็คือเรื่องของการมาวัดมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธี าหาความสุขแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะความสุขที่ต้องใช้ร่างกายนี้จะต้องมีความทุกข์ตามมาต่อไปถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเวลาที่เขาทำตามเราอยากเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่ทาตามเราอยากเราก็จะมีความทุกข์ ถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็เฉยๆเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเรามีหน้าที่บอกเขาสอนเขาแล้วก็บอกเขาว่าทำอย่างนี้สิทำแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้บอกให้เขามานั่งสมาธิแทนไปนั่งดื่มสุราแต่เขาอยากจะนั่งดื่มสุราก็ช่วยไม่ได้นั่งนั่งสมาธิมีความสุขมากกว่าดีกว่าไม่มีความทุกข์ดีกว่าดื่มสุรา บอกก็แล้วถ้าก็ไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรแล้วเดี๋ยวใครอยากจะถามปัญหาก็ถามต่อได้ใครยังไม่ได้นังสือซีดีก็หยิบไปได้นะจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสุขแบบใหม่ว่าทำเป็นยังไง ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้นะเมื่อกี้พูดไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจเอ้คนสุรามสีสุรามนั่งเฉยๆแล้วต้องใจต้องหยุดคิดด้วยถึงจะดีถ้านั่งเรายังปล่อยให้ใจคิดมันก็ยังนี่ค่ะชวนครแล้วทำไมเจ้าการคุ้มเป็นหน้าหนึ่งนั้นเขามีคาถาม ไม่หรอกไม่สมควรจะไปถามเพราะว่าถ้าถามอาจารย์ก็จะบอกว่าสังขารไม่หรอกนานๆอยากจะเป็นลิงสักทีแล้ว <c oughs> ก็นั่งงงไปอาจารย์ <c oughs> ต้องดีๆนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหล่นตุกอะไป <c oughs> <c oughs> อยากจะเป็นลิงบ้าง ไม่มันเป็นตะคิวเน็บชาไม่เป็นไรตะคิวมันวบอกว่าถ้าดจเลยนวดนอยู่ตรงนี้ตองหน้าจอเนี่ยไม่สูดมันเป็นร้างกานะฮะมันก็เหมือนทุกคนใช่หมะแม้นกานะมันก็เป็นรถไม่ไม่เป็นก็ไม่ได้ทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็เป็นทั้งนั้นแต่ครูบาอาจารย์ไม่บ่นพวกเราเนี่ยอ่ท่านก็อยู่กับมันไปดูแลมันไปการรู้สึกนวดได ก, ก็มีมีมันมีเราก็มีเราเราเป็นลูกศิษย์เราเองเราเป็น <laughs> ลูกศิษย์เราเองลูกศิษย์มี5านิว้ว <laughs> เร่องไงยังยังฝึกหยุด ยังไม่ยอมแพ้จะไปอยู่อมันก็ขึ้นมาขังกระเซ็นกระสายเดี๋ยวก็ช่างมันหยุดหยุดคิดด้วยสิหยุดคิดหยุดคิดหยุดร่างกายแล้วก็หยุดใจต่อแต่บางทีมันก็หรืว่านะโยมยัยองอยเป็นคารวาวาอยู่เพราะว่าบางทีก็ไปถึงปลายม่นก็ไปถึ ง, งกันเกิดบางทีมันก็ไปแค่เสียงราบบางทีก็ไปเชียงใหม่มมาบางทีแค่ แค่อุตภเว่าพอขึ้นแล้วก็ให้ลงไปเลยว่าไปแล้วพูดต่าพูดสพูสองชั่วโมงนิยมยายาน่เลยเอาเอาลงลงมาต่อได้แต่ดีนะค่ะพายให้พวกที่เคยเป็นลิงมลิงมาก่อนเนี่ยมันนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไร่ คมีสงบดีนะคะหนังละครอย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีไม่ต้องดูโทรทัศน์อันขนาดนี้นะคะซื้อไปได้ยังไงคุณชายคุณชายเองก็ยังไม่ดูของเราไม่เริ่กดูนะมันก็เป็นจอดำอยู่แล้วน่ะะเห็นแล้วลำคาบแต่เดีนี้ไม่มีอะไรดูเลย่ฉยเอาไปเบยจ่าก็ได้หลัตาฮะก็มีแต่หลับตาเห็นแต่ม่านตาสีก็มีสีสันมาให้ดูมันสนุกกว่านะอ ให้ให้มันว่างดีกว่าให้มันสงบไม่คิดอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความสุขมันสงบออันนั้นดีที่สุดให้มันมีอุเบกขามันอิ่มแล้วก็ลดความอยากนะถ้ามันสงบแล้วมันหาอยากหมมันตอนนั้นมันอิ่มมันพอแต่พอออกมามันพอเห็นอะไรมันก็เกิดความอยากขึ้นมา อันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วไม่มีวันจบผืนใจดีกว่าอย่าไปทาตามความอยาก เ, าเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทาตามมันเดี๋ยวมันก็ไม่อยากได้เห็นพอออกมาเห็นกาแฟาอยากจะดื่มก็ไม่ดืม่มหมดไปสักพักหนึ่งผื่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ ช, ชินแล้วจะรู้สึกเฉย อย่างนี้นคนก็จะเลือกได้ไงคนที่เขาติดนั่นติดนี่เขาเลือกได้เลยเพราะเขาไม่ทําตามความอยากเขาเท่านั้นเราสบายต่อไปอยู่เฉยก็ไม่รู้เสึกเดือดร้อนไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนถ้าต้องดื่มกาแฟมันก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาหาไม่ได้ก็เดือดร้อน ความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟมืกี่ร้อยแก้วมันก็หายไปหมดแล้วมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มมันจะต้องมีวันที่จะต้องเจอวันที่ไม่ได้ดื่มคร่าวสักวันหนึ่งมังก็เอาวันเอาวันนี้เลยเป็นยังไงอย่าไปดื่มมันเลยอพอหยุดมันได้ไม่กี่ครั้งมันก็มันก็จะไม่มารบกวนใจเราแล้วเราก็อยู่เฉยๆได้ ก็มีชีพความตั้งใจก่อนก็ตั้งใจแล้วก็ฝืนใจไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังไป mm hmm. เหมือนกับไฟที่มันไหม้อยู่นี่ถ้าเราไม่โยนฟืนเข้าไปในกองไฟเดี๋ยวฟืนเก่าที่อยู่ในไฟเดี๋ยวมันก็ดับไปพอมันไหม้หมดแล้วมันก็หมดไปแต่ถ้าเราคอยโยนฟืนเข้าไปอยู่เรื่อยๆมันก็ไหม้อยู่เรื่อยๆ การทำตามความอยากก็เหมือนกับเป็นเพิ่มความอยากเพิ่มกองไฟให้มันไหมไปเรื่อยๆกองไฟก็คือความไม่สบายใจความหงุดหงิดตำคานใจมันก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับไฟโอลไฟโอลิมปิก ไ, <laughs> <laughs> ไม่โอลิมปิกเขายังมีดับเนะี่ย <laughs> พอเาแข่งเข่งนันเสร็จเขาก็ดับไฟนะ <laughs> แล้วเรขาจะมาจุดอีกทีก็อีกสี่ปีนู่นะ แต่ไฟของเราไฟอยากของเรานี่มันตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็อยากนะเนี่ยอยากจะดูว่าความอยากมันทํางานไม่ทํางานลองนั่งเฉยๆดูว่าแล้วดูซิว่ามันมันจะโผล่มากี่ตัวเดี๋ยวก็อยากรูก้ก่อนลนะ่ะพอนั่งนี้ก็อยากจะลุกพอลุกแล้วก็อยากจะไปทํานูน่นทํานี่นะ วิธีต่อสู้กับความอยากแบบหยาบๆก็กคือให้นั่งเฉยๆให้นั่งอยู่กับที่นั่งสบายๆไม่ยังไม่ต้องทารมานร่างกายให้ร่างกายสบาย<ม>เพียงแต่ต้องการทารมานใจทรมานความอยากไม่ให้มันพาร่างกายไ ป, ไปนูน่นมานี่ไปทำนูน่นทำนี่แล้วสู้กันไปเดี้ยวความอยากมันก็อ่อนกำลังลงไปเอง แล้วต่อไปโทรศัพท์หมดนะฮะก็ต้องปิดทุกอย่างใช่เพราะว่าก็เลยนั่งๆอยู่โทรศัพท์มาเาลืมปิดโอ้โหอะไรยังไม่ถึงเรื่องนะเพราะฉะนั้นต้องต้องแบบอยู่อย่างสงบจริงๆอย่างนี้ในป่าแต่ในป่านี่ก็ยังมีเสียงลรงเสียงข้างมาอารวาสอ๋อไม่เป็นปัญหาหรอกแต่นั่นไม่ตีปัญหาแต่ว่ามีสงที่โทรมา พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งกวนใจนะะอย่างนี้นะคะนี่ก็เลยทําให้จิตเนี่ยก็เลยเปิดปนตามที่เขาพูดไปไม่เราต้องปิดหมดเลยใช่ได้ส C, าํานวบอินทรีไงตาหูจมูกร่างกายไม่ให้รับรู้รูปเสียงก ล, ลิ C, น่นรลยก็เลยเอ็นซีสองวัผู้ที่จะดึงใจให้เข้าข้างในได้ต้องปิดทวารทั้งห้าเพราะมันเป็นทางเข้าออกของของใจใจมันจะ สู่กิเลสดึงออกไปทางตาหูจมูกวิ้วกายแต่ถ้าเราปิดรูปที่ใจยอยากจะดูออกไปดูก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขามันดูมันก็มันก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดความอยากอะไรขึ้นมาถ้าไปดูทีวีไปดูอะไรเสื้อผ้าไปดูช้อปปิง้งเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องพยายามทําไปเถ็ดฝืนไป ใหม่ๆมันก็รู้สึกยากหน่อยทรมานใจหน่อยเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี่แหมมันแสนจะทรมานใจเนี่ยอยู่มานานแล้วไงฮะแต่พอมันสงบตัวเมื่อไหร่ความทรมานใจนั้นก็จะหายไปเราจะรู้สึกเบาสบายอกสบายใจอีกเจ็ดปีก็คงไม่เหลือ ทำทุกวันเจ็ดวันก็ได้เจ็ดปีทำไปปีแลวทำไป็โยมก็มีเวลาเหลือลววันนีรู้สึกจะสร้างไปที่อยังอื่นอยากจะได้เร็วๆที่นี้ไม่อยากได้เร็วๆสร้างบงสร้างบ้านใหญ่ๆก็สร้างเร็วๆเล ข อ, องอย่างอ น, นี่อยากให้เร็วหมดพอโจทำรรมากนี่แม่ไม่อยากได้เร็วพอที่ถ้าเผือกเผื่อเป็ น, เ ป, นเป็นวิชาในในมหาวิทยาลัยนะงสงสัยจะหาคนจบยากค่ะวิชาเนี้ยยากที่สุดในโลกวิชานี้ยอืมวิชาอื่นใ น, ในี่กาเรียนมันก็เหมือนมั่งมั่งทำได้นะะมันเป็นมันเป็นวิชาชนิดแบบจําได้แบ บ, บว่าทานี้นี้นะ ใช้วความจานี้อ่ะวิช า, าที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะฮะให้ปัญญาเอกมาทำเนี่ยฮ ะ, ะก็ทับรองไห้เลยมไม่ถึงสักทีืมคนยิ่งมีปัญญาสูงยิ่งทำยากเพราะรู้มากอโกเเยยะลคนคนปา่รราคนเขานี่<า>แต่ศี ร, รษานี่ง่ายกว่าหลวงปู่มันสอนชาวเขา ท่านเดินจงกรมอยู่ชาว เ, เขาถามว่าหลวงปู่หาอะไรหาพุทโธเว้พวกผมช่วยหาได้ไหมได้ทํำยังไงพุทโธพุทโธไปเดินไปก็พุทโธพุทโธ อ, อมันก็ช่วยหาให้แล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็ภาวนาเป็นอยน่าง้จิตเขาบริสุทธิ์ไหมจิตเขาแบบธรรมดาก็ <c oughs> ไม่บริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเขาไม่มีกิเลสมามหอมล้อมไม่มีมันก็เลยว่านอนสอนง่าย การสอนธรรมะนี่สอนให้คนที่ไม่ฉลาดดีกว่าคนที่ฉลาดแล้วนี่มันมันมรู้สึกว่ามีต่อต้านต่อต้านมีความเห็นเหมือนกับเวลาที่เราจะเทน้ำชาเข้าไปในถ้วยนี่ถ้าเขามีน้ำชาเก่าอยู่ในถ้วยนี่เทเข้าไปมันก็เทไม่ได้เขาต้องเทน้ำชาเก่าเขาทิ้งก่อน ถ, ถึงจะรับน้ําชาใหม่ได้ ค, คนที่มีความรู้ต่างๆนี่ต้องเทความรู้ต่างๆเก่าๆนี้ออกไปให้หมดเลยล้างมันออกไปให้หมดถ้าเป็นเครื่องคอมก็ดีลีทมันหมดเลยาความรู้จะได้เอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปได้เนี่ยมันจะไม่มีที่มันไม่มีที่เข้า ใจของคนที่มีความรู้มากๆนี่มันมีความรู้อยู่ตลอดเวลามันพอจะเอาความรู้ใหม่นี่มันไม่ยอมรับพิสูจน์มาก่อนอว่าจริงไม่จริงแบบวิทยาศาสตร์ดิคอะแต่ของอย่างอย่างอย่างเนี้ยมันพิสูจน์ไม่ค่อยได้ถ้าต้องทําเองก็งเป็นอย่างสมาธิท่านโยมโยม<อ>เนี้ยตอนนี้ไม่ใช่เชื่อในศรัทธาแล้วศรัทธาก็ก่อนแต่ว่าเชื่อมาแล้วในเรื่องจิตจิตก็ Uh, the mind matter จิตกับร้างเนี่ยแยกกันเพราะว่าไม่ใช่เชื่อนะฮะว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็แบบเทศไปจนปากเปียกปากปากฉีกเลยนะ <sh arp> แต่ว่าโยมมันเป็นนั่งแล้วนี่นะ <sh arp> รู้สึกว่ามันขยับขยับในเนี้ยของตัวเองขยับใช่ไหมเพราว่า ม, มันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่นนั่นเป็นช้างตัวเนี้ยเป็นอะไรนะ มันไม่อยู่ด้วยกันงั้นถ้าเผื่เราไม่มีนั่งเองเนี่ยเราได้แค่อ่านหนังสือแล้วฟังๆแล้วก็จะแบบเออจริงเรอเออมันก็แค่ท่องจำแต่ถ้าพอมัปฏิบัติเองเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้ทุกสีที่นั่งก็เป็นอย่างเนี้ยนะด้วใจเป็นอย่างร่างกายเป็นอย่าง<ช>่เมื่อก่อนนี้มันชอบไปด้วยกันทําอะไรคู่กันไปไม่รมรูู้้ึกก็เลยคิดว่ากันตัวเดียวกัน นี่พอเรามานั่งเฉยๆมันจะเริ่มแยกออกจากกันนะพอเราจะให้ร่างกายมันอยู่ยเฉยๆแต่ใจมันไม่อยอมเฉยกับร่างกายแล้วเลยก็ต้องปฏิบัติเองสันทิติโกคําพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่งบอกเป็นสันทิติโกผู้ปฏิบัติถึงจะรู้เห็นได้ถ้าไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู้ไม่เห็น ว่าการได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นเพียงเป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะ้ <c oughs> องนำไปปฏิบัติถึงจะเห็นอาหารเนี่ยอร่อยขนาดไหนก็ถ้ายังไม่ได้ชิมก็ยังไม่รู้ว่ามันอร่อยอยังไงต้องชิมดูถึงจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเป็นยังไงก็ยังจะไม่รู้จนกว่าจะเอาไปปฏิบัต ลองไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วก็จะเห็นลถแห่งธรรมโผล่ขึ้นมาเองพอได้สัมผัสแล้วก็จะไม่อยากได้ลถอย่างอื่นแล้วลถของรูปเสียงกลิ่นรดนี่ไม่เอาล่ะเอารถแห่งธรรมดีกว่าเมื่อก่อนจะเคยเคยคิดไหมว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆหกชั่วโมงเนี่ยถ้ามาคิดกับมเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆทำไมได้อะไร มีแต่ต้องไปนู่นมานี่ต้องทํานู่นทํำนี่ถึงจะได้ก็ร้องอะไรยเงี้ยนั่งในเครื่องนั่งในเครื่องบินเนี่นะคะสิบสองชั่วโมงบินตรงเนี่ยนะคะถือโอกาสไปห้องน้ําอยู่เรื่อยเดี๋ยวจยังไม่เข้าหรอกเดินไปเดินมาเพราะแอร์เาจะบ้าเขาบะยีคนนี้เดินอยู่นั่นแหละดิงนะเดินไปเดินมาอยู่ไม่ได้นะเออมันอึดอัดเลยอึดอัดถ้าลัง หยุดความคิดได้ทําใจให้สงบได้ก็หายอึดอัดเนี่ะก็เพราะว่าอะไรมาอยู่นี่เข้าใจแล้วอะว่าที่นั่งนานๆไม่ได้เพราะเราไม่มีพุทโธเนี่ยเดี๋ยวมาคิดถึงและวเออถึงเมอยางื่อกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเดินดูนั่นแหละหิวน้ำหรือเข้าห้องนี่ี้ก็เผื่อเรามีพุทโธตอนนั้นเราไม่มีพุทโธนั่งเครื่องเลยนะใจก็วอกแวกอืพอเรานั่งเฉยเนี่ยแล้วก็ พุทโธหลับตาหมดทุกอย่างปิดหมดทุกอย่างเลยไมีคิดแม้กระทั่งอะไรนะอ อ, อดีตอนาคตก็มีแต่ปัจจุบันว่าพุทโธเนี่ยมันก็จะไปคุมมันก็เลยนั่งนานได้นะควบคุมความคิดความอยากพอมันคิดมันก็อยากอยากให้ถึงเร็วๆอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆเมื่อกี้เกือบมาไม่ทันนับมาอาจารย์เพราะว่า โยมแค่แคล้ายไปไปไหนเปียเสียมราบ <Yeah. S 1> ฮะเสร็จปอกับว่าพอดีว่าลืมตาขึ้นมาตายตายบ่ายโมงบ mm ่ hmm. ายโมงสิบห้านักไวโยมเนี่ยแทบจะเป็นลมตายก็จะนุ่งเสื้อเสื้อเพราะว่าเอข้ขาเรียกว่าอะไรมันมีความสุขกับการนั่งนะฮะ uh huh. เวลา ม, มันผ่านไปเร็วนะมันจะแค่ชั่วโ ม, มงเลยนะฮะ uh huh. ปั๊บเดียว uh huh. ก็นั่งบ่อยๆพยายามนั่งบ่อยๆให้สงบบ่อยๆนานๆแล้วต่อไปก็จะได้สู้กับความอยากได้นี่ขนาดยังไม่ยังไม่ตกเบาตกเหือแล้วมันยังสบายนะฮะ<อ>แล้วถ้าเกิดตกบอตกเหงือกี่อยากจะถึงก็ทีนะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากอยากพิสูจน์ว่า<อ>ว่าไอ้ตรงที่อาจารย์บอกว่าถึงอัปปนาเนี่ยฮ ะ, ะ<อ>มันจะสุกกว่าชนดิดแบบธรรมดาแค่ไหน ก็ <K> เลยต้องตั้งมั่นว่าจะต้องถึงสักทีตั้งใจก็ทําไปเรื่อยเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็ถึงเองไงเฉพาะจับทุบมันหล่นนะ อ, อ, อย่าไปอยากก็แล้วกันกนั่งไปเรื่อยนั่งให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยสักวันเดี๋ยวพอมันเข้าช่องของมันป๊อปมันก็วุบ้าไปเองถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็นั่งแบบนี้ไปก่อนอยนอย่างดีก็ไม่นั่งแต่ต้องนั่งทุกวันอันนั่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอะไรด้วยใช่ไหม โอเคนะ ด, ดีขึ้นเยอะค่ะไม่วอกแวกเลย อ, อก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสติมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไป <S <S แล้วกิเลสมันก็จะมีกําลังอ่อนลงไปแล้วมันก็จะเข้าไปได้ลึกเข้าไปได้ลึกขึ้นเรื่อยๆ <S <S 2> <S 2> มันมันเป็นการต่อสู้กัน ร, ระหว่างสติกับกิเลสนี่เองกิเลสอยากจะดึงใจออกข้างนอกอยากจะ ดึงใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สติก็ดึงมันกลับเข้าไปข้างในให้มันก็้าไปที่ฐานของจิตนะถ้ามันถึงฐานของจิตแล้วมันก็จะอิ่มเต็มที่นิ่งเต็มที่สบายเต็มที่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆเท่านั้นพูดได้แค่นี้เองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้จะช้าเร็วไม่เป็นไรและทำไปเถอด พอถึงเวลามันได้แนละ้วมันก็ช้าหรือเร็วมันก็เห ok มือนกันจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การกระทาอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น Where there is a will there is a way เด um um ี๋ยวจะลองให้ทางบ้านก็ถามเขามาบ้างนะ ตอนนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะนจะฟังต่อก็ได้จะกลับก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้บังคับตามสบายตอนนี้มีตอนนี้มีถ่ายทอดสดทาง a c e บ o o k อยู่กับ YouTube มีคนที่เขาติดตามเขาก็ส่งข้อความเข้ามาเชินคำถามจากผู้ฝักถาม หนูสังเกตใจตัวเองเวลาพูดคุยสนทนากับบุคคลสองคนแล้วรู้สึกว่าคนแรกหนูรู้สึกใจคอยตามกับน้ำเสียงและคำพูดและรู้สึกชอบที่ฟังแล้วก็คิดพิพพจรารณาตามสิ่งที่เขาพูดและอธิบายพอมาคุยกับคนที่สองหนูฟังแล้วหนูก็รู้สึกว่าใจหนูมีอคติมันไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ฟังจนจบสนทนาโดยไม่โต้ยแย้งใดๆ แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าสีหน้าและแววตาหนูขณะฟังนั้นได้แสดงอะไรตามความคิดในใจออกไปหรือเปล่าถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจหนูทั้งสองเหตุการณ์มันก็คือกิเลสใช่ไหมคะเพราะมันมีทั้งความชอบและไม่ชอบแล้ววิธีการปฏิบัติกับใจเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรคะก็ให้ฟังหูไว้หูไทยเขาจะพูดอะไรเราจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ฟังไว้ก่อนฟังแล้วเราก็ค่อยมา พิจารณาดูอีกครั้งว่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริงแต่เวลาฟังนี้ก็อย่าอย่าไปบังอย่าไปปฏิเสธเมื่อเราถึงเวลาต้องฟังเราก็ฟังไปฟังด้วยเหตุด้วยผลไปอย่าฟังด้วยอารมณ์ฟังฟังแบบสักแต่ว่าฟังอย่าฟังด้วยอารมณ์รักหรืออารมณ์ชังถ้ามันมีอคติแล้วมันก็จะฟังแล้วมันก็อาจจะทาให้เรา ไม่ได้คิดไปตามความที่เป็นจริงได้ถ้าเขาพูดในทางที่เราชอบเราอาจจะเชื่อขึ้นมาทันทีถ้าเขาพูดมาในทางที่เราไม่ชอบเราก็เราไม่เชื่อเขาขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่มันอาจจะเป็นความจริงก็ได้หรือไม่เป็นความจริงก็ได้เอานเวลาฟังต้องผัดฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางยังไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดอย่างไร ฟังหูไวหูก่อนอย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นต้นตงคำถามจากคุณพัคพรหนูไม่ได้ตั้งสัจจะ ว, ว่าจะถือศีลแปดแต่ทำให้เป็นปกติประจำวันแต่มีข้อที่สามที่แยกห้องนอนกับสามีบางทีต้องทำหน้าที่ภรรยาเพราะสามียังไม่อนุญาตให้บวชต่อให้ลูกโตก่อนจะถือว่าผิดศีลไหมคะและจะตัดภพตัดชาติได้บ้างไหมคะ ก็ถือว่ารักษาได้แค่เจดข้อก็แล้วกันข้อที่ข้อสามนี้ยังรักษาไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนไม่ได่ทําข้อสอบเวลาเราทําข้อสอบบางทีเราก็ไม่สามารถทำได้ทุกข้อคะแนนก็เลยไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยไม่ทำทั้งทั้งแปดข้อเลยก็ยิ่งได้ศูนย์เลย <c oughs> <c oughs> ทําข้อไหนได้ก็ทําไปก่อนคำถามจากคุณโมนี การสวดมนต์แบบท่องจำได้กับการเปิดหนังสือสวดมนต์มีผลต่างกันไหมคะออมีผลเสียเพราะว่าถ้าเราสวดได้เราจะได้ไม่ต้องใช้สายตาเพราะการสวดนี้เราต้องการดึงให้ใจเข้าข้างในถ้าเราใช้สายตาใจมันก็ยังจะออกไปทางตาอยู่ยงั้นถ้าเราสวดแบบจำได้เราจะได้นั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงด้วยมันจะได้ไม่ต้องออกมาทางร่างกายให้มันอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียว แล้วมันก็จะสงบได้ง่ายกว่าถ้าต้องออกมาทางร่างกายทางตาทางปากนี่มันใจยังต้องทำงานอยู่มากกว่าเวลาที่เราท่องไปภายในใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องใช้ปากออกเสียงใจมันก็จะสงบได้มากกว่าได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าคำถามจากคุณเกษราลูกฟังพระเทศ ทุกวันแต่ไม่ได้มาฟังที่วัดลูกจะได้บุญไหมคะฟังที่ไหนก็ได้จะได้บุญไม่ได้บุญอยู่ที่ว่าฟังแบบไหนฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบดิ้นกับแกงฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ฟังไปแต่ใจไปเลอะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยินแต่เสียงเข้าหูซ้ายออกหูขวาอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบดิ้นกับแกงก็ฟังแล้วพิจารณาตามค่ะ เข้าใจเออเขาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฟังแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมามีสัมมาทิฐินี่เรียกว่าฟังด้วยดินกับแกงยังนการฟังไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรืออยู่ที่สื่อจะฟังเทศก็ได้จะอ่านหนังสือก็ได้จะดูวิดีโอก็ได้มันก็เป็นการรับธรรมะของพระพุทธเจ้าผ่านทางสื่อต่างๆ แต่สำคัญที่ผู้รับสื่อนั้นว่าจะรับในแบบไหนรับด้วยสติหรือรับด้วยการเผลอสติถ้ามีสติใจจดจ่ออยู่กับการฟังอยู่ได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะได้รับความรู้มากแต่ถ้าอยู่แบบ เ, เผลอบ้างไม่เผลอบ้างมันก็แบบขาดตอนไปมันก็จะได้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างคนบางคนที่เขาพูดว่าเขาชอบเปิดธรรมะแล้วก็ทางานไปด้วยอย่างเงี้ย เขคิดว่าได้บุญมากจริงๆมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานแล้วเปิดเพลงหรือเปิดเรื่องการบ้านการเมืองฟังไปมาเปิดธรรมะมันก็ได้ประโยชน์มากกว่ากครึ่งหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องอย่าทํางานแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วตั้งใจฟังเพลงอย่างเดียวส่วนสถานที่จะฟังผ่านวิทยุฟังที่วัดนี่มันก็เหมือนกัน คาถามจากคุณสอนเพชรอยากทราบว่าความคิดกับปัญญาต่างกันอย่างไรครับคือความคิดนี้มันคิดไปได้หลายทางคิดไปทางกิเลสก็ได้คิดไปทางปัญญาก็ได้คิดเป็นกลางๆก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญญาไม่ใช่เป็นกิเลสก็ได้คิดกิเลสก็คิดไปคิดแล้วก็อยากได้คิดแล้วก็โกรธนีเรียกว่าเป็นกิเลส ถ้าคิดไปในทางธรรมคิดแล้วก็หายหายโกรธคิดแล้วก็หายโลภนี่เป็นธรรมธรรมส่วนคิดที่เป็นกลางๆคือคิดแล้วก็ไม่ได้เกิดความโลภแต่ก็ไม่ได้ทําลายความโลภที่มีอยู่เนะตอนนั้นคิดคิดไปแบบเช่นเราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยคิดเรียนวิทยาศาสตร์นี่มันก็ไม่มีความโลภแต่มันก็ไม่ได้ไปกําจัดความโลภที่เรามีอยู่ก็เรียกว่าเป็นความคิดกลางก หลังจากคุณชวิวันถ้านั่งสมาธิหลังตรงแล้วเมื่อยเปลี่ยนท่าหน่อยได้ไหมคะถ้านั่งเวลานั่งเราอย่าไปเปลี่ยนท่าช่างมันมันจะเมื่อยก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราไปถ้าเราอยู่กับพุทธโธได้อยู่กับลมได้เดี๋ยวอาการเมื่อย น, นั้นมันก็จะหายไปเองมันจะไม่มารบกวนใจถ้าเราไปเปลี่ยนท่าแล้วก็เหมือนกับเราเลิกแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนขึ้น เครื่องขึ้นไปแล้วก็ขอลงมาขอมาเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่แล้วค่อยขึ้นไปใหม่มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางาทันทีคำถามจากคุณปัทมาพรลูกมีปัญหาตอนนั่งดูลมหายใจแต่จะทำอย่างไรให้ไม่ตามลมหายใจเจ้าคะลูกมีปัญหามากๆพอลองไม่ตามลมดูแค่ตรงกระทบลูกรู้สึกอึกอดอัดเจ้าคะ่ะ ถ้าไม่ถูกอารมณ์ก็ใช้พุโทโธไปเพีงอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือเราจะเพ่งอย่างอื่นก็ได้เพ่งภาพใดภาพหนึ่งขึ้นมาในใจก็ได้เช่นเราเพ่งโครงกระดูกก็ได้ถ้าเรานึกถึงภาพของโครงกระดูกแล้วเราหลับตาแล้วพยายามเพ่งให้เกิดภาพโครงกระดูกขึ้นมาแล้วให้อยู่กับภาพนั้นไปเรื่อยๆก็ทําให้ใจสงบได้เหมือนกันหรือภาพอย่างอื่นก็ได้ที่ อวัยวะสามสสส่วนนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะภาพจะเพ่งดูภาพซากศพก็ได้ถ้าเราเป็นพวกนิติเวศนี้เราผ่าศพทุกวันเราเห็นมันอยู่ทุกวันเวลาเรานั่งสมาธิเราใช้ภาพศพที่เราผ่านี้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้อันนี้ก็เลือกเอาหรือบางคนเขาก็ใช้กะสินใช้สีก็ได้ถ้าเราทางานเกี่ยวกับพวกกราฟิกเยอะๆเกี่ยวกับการออกแบบ ใช้สีเยอะอย่างนี้เราก็ลองเวลาหลับตาแล้วก็นึกถึงสีใดสีหนึ่งขึ้นมาแล้วพยายามประคับประคองให้เห็นแต่สีนั้นอยู่ในใจเราสร้างภาพขึ้นมาในใจเราเช่นเราเราชอบภาพสีเขียวแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวไปให้เกิดมีสีเขียวเต็มจอจอจอใจแล้วก็พยายามอยู่กับสีเขียวไปมันก็ทําใจให้สงบได้เนงั้นถ้าเราไม่ถูกกลับนมหายใจก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ ใช้พุโทโธก็ได้ถ้าพุโทโธยังไม่ถูกก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไม่ต้องออกเสียงสวดสวดไปภายในใจสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดก็ลองดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปก็ได้หรือเพลงดูอาการใดอาการหนึ่งก็ได้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปครัำถามจากคุณวาสนาข้อที่หนึ่ง นั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เคยรู้สึกว่าสงบเลยจะได้บุญไหมคะก็ได้บ้างแต่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกาบทำข้อสอบก็อาจจะได้ได้ได้คะแนนแบบว่าคือคะแนนที่พยายาม <c oughs> <c oughs> ได้ความพยายาม <c oughs> ข้อที่สองครบรอบวันตายเราทำบุญแต่เลยวันที่คนเขาตายแล้วจะได้บุญเหมือนกันไหมคะได้ทำวันไหนก็ได้ทำก่อนทำตรงกับวันตายทางทำทุกวันก็ได้คาถามจากคุณสัสนสณีหนูนั่งภาวนาอยู่มีคืนหนึ่งมันมีอาการเหมือนคาบริกรรมมันเป็นหนึ่งเดียวกับสติแล้วมันมีความคิดออกมากนิดนึง แค่นั้นไม่ทันรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่สิ่งที่มันรวมกันนั้นหมุนแล้วพุ่งชนความคิดอันนั้นหายไปทันทีรู้สึกอัศจรรย์และน้ำตาคอฝน ล, ลุกลูกอยากสอบถามว่าอาการที่เกิดขึ้นมันคืออะไรและลูกทำถูกต้องหรือไม่ถ้ามันสงบมันสบายก็ก็ถูกต้องอย่าอย่าไปถามว่ามันเป็นอะไรเลยเพราะว่าอาการที่เกิดในการปฏิบัตินี้มันก็มี หลากหลายหลายแบบด้วยกันแต่เป้าหมายของการปฏิบัติการนั่งสมาธิก็ต้องการให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันสงบนี่ก่อนมันจะนิ่งมันจะสงบมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนก็ได้แล้วถึงจะสงบนี่เช่นเหมือนเวลาจะบางคนก็เหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็สงบไปบางคนอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ระเบิดไปหายไปยนี้ก็แล้วแต่ มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นฮะประเด็นอยู่ที่ว่าเรานั่งแล้วเราสบายหรือไม่มีความสุขหรือไม่จากการที่ได้เกิดสิ่งแล้วนั่งขึ้นมาแล้วนั่งต่อไปได้นานหรือไม่ถ้านั่งต่อไปนานไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไม่ดีควรจะนั่งต่อไปได้นานหลังจากที่จิตสงบแล้วอยู่ไปได้นานก็จะดีแต่ใหม่ๆ ม, มันอาจจะอยู่อยู่ได้ไม่นาน มันอาจจะตื่นเต้นดีใจแล้วมันก็เลยหยุดภาวนาไปหยุดดูลมไปหยุดพุทโธไปมันก็เลยหายไปก็ออกมาแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีประครับประคองใจเวลามันเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็ใช้สตินี้ประครับประคองคอยควบคุมอย่าให้มันไปคิดไปวิพากวิจารไปอะไรต่างๆมันก็จะสงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณตรงฟงังปฏิบัติมาหลายปียิ่งปฏิบัติยิ่งอยากอยู่สันโดษไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากติดต่อใครไม่อยากออกไปไหนแบบนี้ผิดปกติหรือเป็นเรื่องปกติครับมันก็เป็นเรื่องปกติของคนปฏิบัติเพราะจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็รู้ว่าการไปติดต่อกับคนหรือติดต่อกับเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องวุ่นวายใช่มากกว่า ซูอยู่กับความสงบดีกว่าก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งกับใครคำถามจากคุณมีให้แค่เท่านี้กับเรียนถามพระอาจารย์จัดงานบวชกระถิน mm. บวชพระสี่รูปเป็นงานใหญ่เพื่ออุทิศให้ญาติผู้ใหญ่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่ญาติญาติสั่งโทรสั่งให้ลงค่าสัตว์ ข้าหมูสิตัววัวหนึ่งตัวปลาอีกมากมายเพื่อมาเป็นอาหารและแจกให้กับแขกที่มางานและเป็นพัตตราอาหารพระสงแบบนี้จะได้บุญไหมครับกับการแลกชีวิตสัตว์และญาติผู้ที่ร่วงรับไปจะได้บุญหรือเปล่าครับก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปครับบุญก็ได้จากการที่เราบริจากทรัพเพื่อที่จะซื้ออัฐบริขารเพื่อที่จะบวชพระนี่ก็ได้บุญส่วนนั้นไป ส่วนบาปก็คือไปสั่งให้ฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาเป็นอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงคนอันนี้ก็เป็นบาปไปก็ได้ทั้งสองอย่างดีเพียงแต่ว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียบุญที่ได้นี้มันไม่คุ้มกับบาปที่เราทําแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนสั่งเองเราก็ยังไม่เกี่ยวคนที่ไปสั่งคนนั้นแหะเป็นคนที่จะต้องรับผลบาปเองแต่ถ้าเราเป็นคนมีส่วนสั่งเขา้าบอกว่าช่วยไป ไปจัดการหาอาหารมาให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปสั่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วก็มีส่วนนอกจากว่าเราสั่งโดยตรงว่าอย่าไปสั่งอย่าไปซื้อของที่ยังมีชีวิตอยู่มาฆ่านะอย่าไปสั่งเขาฆ่าหรือฆากันเองถ้าจะซื้อเนื้อสัตว์ก็ซื้อของที่ตายแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่บาปทำถามจากคุณสิทธิชัย ผมนั่งสมาธิแล้วเมื่อจิตรวมลงไปจิตมักจะพิจารณาความตายของตัวเองหลังจากนั้นจิตจะสะดุ้งกลัวและจิตที่ ท, ทรงอยู่จะถอดออกจากสมาธิจะต้องทำอย่างไรครับถึงจะผ่านอารมณ์นี้ไปได้ครับความจริงถ้าจิตรวมจริงๆมันไม่พิจารณาะไรมันจะนิ่งมันจะสักแต่ว่ารู้ถ้าพิจารณาก็แสดงว่ายังไม่สงบยังไม่รวม ก็ต้องหยุดการพิจารณานั้นให้กลับมาอยู่ที่พุทโธแล้วกลับมาอยู่ที่นมหายใจเข้าออกให้สักแต่ว่ารู้การนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการที่จะพิจารณาต้องการความสงบต้องการความนิง่งต้องการอุเบกขาการพิจารณานี้เราสามารถรอหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเราพิจารณาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำาทำงานทำการล้วก็ยังพิจารณาทางปัญญาได้ พจารณางานที่เรากําลังทําอยู่ว่าเป็นอนิจจังไม่เพียงทั้งวันยังก็ต้องมีวันจบอันนี้ก็เป็นการพิจารณาธรรมนะแต่เวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณาต้องการพักจิตต้องการให้จิตหยุดคิดเพื่อจิตจะได้มีกําลังไว้สำหรับต่อสู้กับความอยากเวลาออกมาคํถาถามจากคุณจิตรี เราจะมีวิธีการในการรักษาว่าจะอย่างไรบ้างครับบางครั้งพูดไปแล้วรู้สึกว่าไม่น่าพูดเลยเราก็ต้องมีส ต, ติเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพูดนี่เรากําลังคิดอะไรอยู่ถ้าเรามีสติอยู่กับความคิดหรือว่ากําลังจะพูดอะไรนี้เราเราก็จะสามารถป้องกันการพูดที่ไม่ดีได้ถ้ารู้ว่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ใช้สติหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วมันก็ไม่คิด มันก็ไม่พูดนั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติแล้วเราจะเห็นความคิดก่อนที่มันจะพูดออกมาแล้วต้องศึกษาปัญญาด้วยว่าความคิดที่ดีเป็นยังไงความคิดที่ไม่ดีเป็นอย่างไงการพูดที่ดีเป็นยังไงการพูดที่ไม่ดีเป็นยังไงก็พูดตามหลักที่ทรงสอนให้พูดไนก็คือให้พูดความจรงิงให้พูดคําสุภาพให้พูดสิ่งที่มีสาระประโยชน์ อย่าไปพูดโดรอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูดส่อเสียดคำพูดเหล่านี้ไม่ดีถ้าคิดจะพูดแบบนี้ก็หยุดมันเสียอย่าไปพูดให้นิ่งดีกว่าคำถามจากคุณเพียงแต่พิดมากหยุดไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติ ยังต้องมาฝึกสร้างสติต้องใช้พุโทโธพุธโทโธอัดท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเราก็พุโทโธพุธโทโธแบปอย่าปล่อยให้คิดเ พ, เพเอ้อฝันเพ้อเจ้ออย่าให้คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องพยายามหยุดความคิดเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้คําถามจากคุณวัฒนา คนรู้จักการลูกสาวเขาเพิ่งตายเขาอยากเป็นเจ้าภาพกรถิ่นใจเอกแต่มีคนจองแล้วเหลือแต่รองแต่เขาไม่เอาลูกจะแนะนําเขาอย่างไรดีคะเพราะว่าการทําบุญนี่จะเป็นเปนกระถิ่นเอกกรินงองหรือเป็นผ้า ป, ป่ามันก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องเป็นกรถินก็ได้ซื้อของถวายสังฆทานก็ได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่เงินที่จ่ายไป ถ้าอยากจะได้เงินบุญมากๆ <acceptable> ากๆ็จ่ายเงินเยอะๆทาเยอะๆทำ Lanc ท, ำทำมากก็ได้มากจ่ายมากก็ได้มากจ่ายน้อยก็ได้น้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าบุญใหญ่หรือบุญบุญน้อยไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยถ้าไปทำกระถินแล้วจะได้มากกว่าเงินน้อยไปใส่บาทนี้มันก็เท่ากันเอาเงินน้อยไปซื้อข้าวใส่บาทหรือเอาเงินน้อยไปร่วมกับกระถินเขามันก็บุญเท่ากันมันอยู่ที่ปริมาณ การเสียสละของเราบุญวัดด้วยการเสียสละของเราบริจาคของเราว่าเราเราแบ่งปันส่วนของเราออกไปให้กับผู้อื่นได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราแบ่งไปได้มากเราก็ได้ความสุขมากบุญคือความสุขใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นบุญใหญ่บุญน้อยนี่เราไปเราไปสมมติกันเองว่าก็ทิศ น, นี้เป็นบุญใหญ่แล้วใส่บาทนี้เป็นบุญน้อยความจริงเวลาภา พระเวลาพระไม่มีข้าวกินนี่ต่อให้ถวายผ้ากฐถินมาสิบชุดก็ไม่เอาใส่บาทมาสักชุดหนึ่งดีกว่าสมัยที่พู้เจ้าให้ให้ทำบุญถวายผ้ากฐินเพราะสมัยนั้นพระไม่มีผ้าญาติโยมใส่แต่บาทอย่างเดียวไม่เคยถวายผ้าเลยพระต้องไปเก็บผ้าตามกองขยะไปเก็บผ้าตามป่าช้ามาเย็บมาปะทาเป็นจีวรเพราะอะนนั้นเป็นธรรมเนียมของพระสมัยเริ่มแรก นี่ต่อมามีผ้ามาบวชกันเยอะผ้าที่จะไปหามามันไม่พอใช้กันก็เลยไม่มีใครก็ไม่มีใครคิดจะถวายผ้าจนถ้าพระเจ้าต้องบอกเองว่าต่อไปนี้ถวายผ้านะเพราะถวายผ้าแล้วจะได้บุญมากได้ประโยชน์มากความจริงไม่ได้ว่าบุญมากได้ประโยชน์มากอันนี้สงมากแต่เราจะไปแปลคําว่าอันนี้สงกลายเป็นบุญไปคามบุญนี่ก็คื อ, คอมันต้องทําบุญนี่มากน้อยอยู่ที่ปริมาณที่เราทํา แต่ประโยชน์นี้มันอยู่ที่ว่าความขาดแคลนใช่ไหมถ้ามันขาดแคลนแล้วเราทําสิ่งนี้มันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ขาดแคลนนั้นช่วงนั้นมันมันขาดผ้ามากถ้าทําถ้าถวายผ้าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปใส่บาตรถ้ายเอาเงินนี้ไปใส่บาตรเพราะมีคนใส่เยอะแยะอยู่แล้วแต่ไม่มีคนถวายผ้ากันก็เลยมีความเชื่อว่าพระเจ้าบอกว่าถวายผ้ากระถินแล้วจะได้บุญมาก อะไรไปเชื่อกันแบบนั้นก็รอกันถวายแค่กระถินอย่างเดียวกันแล้วก็แย่งจองกันเป็นเย้าภาพกันควาจริงมันเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเนี่ยคําถามจากคุณคตาจรเวลาเราไปทําบุญทุกวันพระแต่ไม่ได้ถือปิ่นโตไปวัดแต่จะเตรียมอาหารคาวหวานคาวส่งในบาทจะแตกต่างจากการหิ้วปิ่นโตอย่างไรคะ ที่เขาเหิ้วเป็นตัวเพราะว่าพระท่านฉันสองมือมั้งแล้วบางทีถ้าใส่ไปในบาทนี่มันอาจจะไม่พอเพราะบาทมันเล็กเนี่ยก็เลยเหิ้วเป็นตัวไปเพื่อท่านจะได้เก็บไว้ฉันอีกมือหนึ่งตอนฉันเพนแต่บุญอย่างที่บอกไงว่ามันอยู่ที่ปริมาณที่เราทําเราทํามากก็ได้บุญมากแต่ประโยชน์ก็อยู่ที่ผู้รับว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการใส่บาทอย่างไร ถ้าใส่ไปในบาตอย่างเดียวพอบาตเต็มท่านก็ไม่สามารถที่จะรับอะไรได้แต่ถ้ามีการหิ่วเป็นโตไปที่วัดอีกทีท่านก็จะได้ฉันอีกมือหนึ่งก็ได้ประโยชน์สองมือแต่สำหรับพระที่ท่านฉันมือเดียวมันก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็รับอาหารที่ใส่บินบาทใสมาในบาตท่านก็พอฉันละท่านก็คอนคอนเขาทนะเนื่องจากถ้าถ้าเวลาเราใสบาตเนี่นะฮะ เออาหารที่ถาวายไปเนี่ยอพระท่านฉันแล้วแต่ท่านไม่สบายมายากตัวอย่างว่าท่านเกิดท้องเดิ น, นยงไยอันนี้ก็เป็นบาป ไ, ไม่อยู่ที่เจตเนาถ้านตั้งใจอยากให้ท้องเดินอย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าซื้อของมาห <c oughs> รือทำแล้วทํา ม, มาแล้วของมันเสียหรือมีเชื้อโรคติดอยู่เราโดยที่เราไม่รู้ น, นี่อะฉันแล้วอาหารเป็นพิษนี่ ท่านบอกไม่ไม่เป็นปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนที่ชัน้นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วท่านก็นท่านก็สั่งไว้ว่าไปบอกก็เานาว่าก็อยากไปทุกข์กับเรื่องการที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้พุทธเจ้าและคิดว่าทำให้พุทธเจ้าตายพระเจ้าบอกมันไม่เกี่ยวกัน อ, อยู่ที่เรามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาบาปก็ต่อเมื่อเราตั้งใจอยากจะให้เขาท้องเสียแล้วก็ทําอาหารให้มันเสียอย่างนี้แล้วก็ให้เขากิ น, นี้ ส่ยาพิษเข้าไปแต่ว่าคนใส่บาตรนี่ก็ต้องดนูนะ่ใชซื้ออะไรต่ออะไรที่แบบมั น, นต้องคจะก็ดูแบบปกติแบบเขาขายที่ไหนเราซื้อมากินได้แล้วก็ซื้อม า, อมาใส่บาตรได้ก็แค่นี้มันมันข้องใจยอมอยู่มันต้องทำเองอยู่ตลอดหรือพระทองหรือพวกที่ชอบทำบุญแบบขี้เหนียวก็เกิดรอให้ของ ของจะต้องเสีย <Jean> ทั้ง no ทิ้งก่อนแล้วก็ไปใส่บาตเลืติดต้นอะไก้นหม้ออะไรแอบอะไทํานองนั้นนะแต่แต่ทําเนียมนะคะที่เห็นตอนตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยที่บ้านเขาเขาจะทีว่าโ้าแกงแกงมื้อเย็นนะคะหม้อใหญ่นะครับข้าวตัวใหญ่เนี่ยแมโครัวเขาจะตักเอาไว้หม้อหนึ่งก่อนเลยนะอแล้วเขาจะเก็บเอาไว้ เลาวเช้ามาเขาจะอุ่นแล้วก็จะใส่ผักใส่อะไรก็ถึงจะไปถวายอืมไม่ใช่ก้นหม้อก้นหม้อนั้นไม่เอาเลยถ้าคนตักกระทานเนี่ยเขาจะไม่ใช้เลยหม้อนั้นของของที่ถวายพระเนี่ยต้องเป็นเป็นเลิศที่สุดนะครับมันก็ทําให้เรามีความสุขไงการที่เราทนะําในสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเราก็ไม่มีความรู้สึก<ช>ว่ามีความสุข เราจะไม่มีความสุขให้าของในที่เหลือๆไปอ่า<อ>นั่นแหละคําถามจากคุณมิไลลักษ์แม่แท้ที่ไม่ได้เลี้ยงกับแม่บุญธรรมเวลาตอบแทนบุญคุณจะได้เท่ากันไหมคะก็ได้ทั้งก็ต้องตอบแทนทั้งสองคนเนี่ยเพราะก็เป็นคนนึงทําหน้าที่ให้กําเนิดเราอีกคนหนึ่งทําหน้าที่เลี้ยงเราอย่างพระพุทธเจ้าก็มีแม่สองคน ท่านก็ตอบแทนทั้งแม่ทั้งสองคนแม่ที่แท้ตายไปแล้วท่านก็ไปเทศสรนบุญสวรรค์ะจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงก็ให้บวชเป็นเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ต่อมามมก็ต้องตอบแทนทั้งสองคนอ่ะเพราะก็มีบุญคุณทั้งคู่นี่จะมาบอกว่าคนไหนมีบุญคุมากกว่ากันก็พูดยากเพราะมันเป็นบุญคุณคนละแบบกันคนแที่กำเนิดมันก็มีบุญคุณน คนที่เลี้ยงดูมันก็มีบุญคุณงั่นถ้าเป็นคนเดียวก็แสดงว่ามีบุญคุณสองเท่าก็แล้วกันแม่คนเดียวที่เลี้ยงให้กำเนิดด้วยแล้วเลี้ยงลูกด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าแม่คนนี้มีมีบุญคุณสองเท่าแต่แม่ที่ให้กำเนิดนี่ก็มีบุญคุณเท่าเดียวแล้วแม่ที่เลี้ยงก็มีบุญคุณเท่าเดียวไม่มีเท่ากับแม่ที่ให้ทั้งกาเนิดและให้ทั้งการเลี้ยงดูแต่ก็เป็นบุญคุณเหมือนกัน ที่เราจะต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีถ้าเรามีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณได้เราก็ควรที่จะทำอย่างน้อยที่สุดก็อย่าไปทำให้ท่านเสียใจคืออย่าไปทำตัวเราไม่ดีแล้วทำให้ท่านเสียใจแต่ถ้าเราทำตัวเราดีแล้วท่านเสียใจอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสของท่านอย่างพ่อก็เสียใจพ่อพระุทธเจ้าก็เสียใจที่พุทธเจ้าบวชอย่า แต่อย่างนี้มันเป็นกิเลส ข, ของพ่อไม่ใช่เป็นการกระทําผิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชั่นทําดีแต่พ่อมีกิเลสเลยไม่เลยไม่เห็นว่าดีกับเสียใจแต่ตอนหลังก็มาได้รับประโยชน์หลังจากที่พระเจ้าได้ตัดสรุนแล้วก็มาโปรดเทศสอนตอนก่อนที่จะตายก็ได้บรรลุดังนั้นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็มีหลายวิธีถ้าท่านแก่ เราเลี้ยงดูท่านได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปเราปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมเป็นคนดีก็จะทาให้ไม่ให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงใช่อันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณอีกแบบหนึ่งเชื่อฟังคำสั่งสอนที่ดีก็เป็นการทดแทนบุญคุณแต่ถ้าเป็นคำสั่งสอนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อฟังก็ได้เช่นพ่อแม่สอนให้ทำบาปเราก็ไม่ต้องทาตามการไม่ทาตามนี้กลเป็นการ การตอบแทนที่ดีก็อาจจะทำให้พ่อแม่ได้สติก็ได้ว่าทำไมเขาไม่ทำคำถามจากคุณโดไลมอนสัญญาคือความจำได้ใหมร่รู้ส่วนลูกขันคือสมองของคนเรามีส่วนที่ทำหน้าที่ในการจดจำด้วยไหมครับอันนี้เราไม่ได้เป็นหมอเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่รูว่าสมองนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่คอยควบคุมการทำงานของร่างกายให้ร่างกาย เ, าเคลื่อนไหวได้ให้ข้างกายทำงานอะไรต่างๆได้ส่วนใจเป็นเพียงแต่ผู้มาสั่งให้ร่างกายาไปทำตามที่ใจต้องการทางกายวาจาสั่งให้พูดได้สั่งให้ทำทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทาให้ไปหารูปเสียงกิดลัตมาได้ อันนี้เป็นหน้าที่ของใจสั่งส่วนร่างกายนี่จะทําให้ตามองเห็นภาพได้มันเขาจะต้องมีอะไรของมันในระบบของมันเพราะบางทีประสาทมันเสียมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพได้ป ร, ประสาตตาเสียอย่างนี้มันก็ไม่สามารถดูภาพได้หรือบางทีสมองไม่สามารถสั่งให้มือเคลื่อนไหวได้คนที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนี้ เพราะว่ามีเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยทำให้คาสั่งของสมองที่จะสั่งมาให้ร่างกายขยับขยื่นนี้มันขยับไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสมองที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของใจใจเป็นอีกคนนึ่งเหมือนใจเป็นเหมือนคนขับรถรถก็เหมือนกับรถสมัยใหม่นี้มีเครื่องคอมแล้วใช่บังคับบังคับรถถ้าเกิดเครื่องคอมเสียมันก็ไม่สามารถขับได้ สมองก็เป็นเหมือนเครื่องคอมของร่างกายที่คอยคนบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายแต่ไม่เกี่ยวกับคนขับคนขับคือจนี้เป็นอีกคนหนึ่ง อ, อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันคนละส่วนกันคำถามจากคุณกาญจนาเคยนั่งสมาธิแล้วทนเวทนาไม่ได้คิดคือคุยกับตัวเองว่าจะไม่นั่งต่อไปแล้วจะไปลุกจากที่ สักพักก็รู้ว่าตนเองลุกไปแต่พอเงยหน้าดูเห็นล่างตนเองนั่งสมาธิอยู่ตกใจมากงงแต่จิตก็กลับขอเมตตาอธิบายด้วยเจ้าค่ะก็จิตไม่มีสติมันก็เลยเพ้อเจอเพ้อฝันไปคิดไปต่างๆนานาก็เหมือนฝันไปฝันในขณะที่นั่งพอลืมตายทีถึงรู้ว่ายัางยังนั่งอยู่เหมือนเดิม คำถามจากอาจารย์สมนึกขณะที่นั่งสมาธิแล้วมีคนทำเสียงดงังก๊อกกแก๊กแเพราะเขาไม่รู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่เขาไม่ได้ตั้งใจรบกวนเราควรวางจิตยอย่างไรเจ้าคะก็พยายามอย่าไปสนใจกับเสียงนั้นพยายามให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมหรืออารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาไปถ้าเกิดความโกรธก็ให้คิดในทางนี้ว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้แล้ว อย่าไปโกรธเขาเลยให้อภัยเขาดีกว่าหรือว่าถ้าเขาตั้งใจก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันว่ายังมีมารมาผจลอยู่ก็พยายามที่จะควบคุมความโกรธพยายามควบคุมใจของเราไม่ให้ไปยุ่งกับเขาให้เรามายุ่งกับการภาวนาของเราต่อไปถ้ามันทำไม่ได้ก็เลิกแล้วก็ย้ายไปหาที่ใหม่ก็ได้หรือไปหาอะไรมาอูถูก่อนก็ได้ อุดแล่เราเวลานั่งจะได้ไม่ได้ยินเสียงที่เขาทำคำ ถ, ถามจากคุณสอนเพชรลูกเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณถ้าสังขารดับเป็นเหตุให้อวิชาดับแล้ววิญญาณดับเป็นเหตุให้อะไรดับครับของพวกนี้มันเกิดดับเกิดดับแล้วมันดับแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่ เกิดดับก็ดับคงเผยเรื่อยๆไอตัวที่ต้องการให้ดับก็คือตัววิชาตัวนี้ดับแล้ดับได้อย่างถาวรถ้าดับเอาวิชาแล้วอวิชาก็คือความหลงมันก็จะไม่มาหลอกให้ใจคิดไปในทางความหลงสังขารมันก็จะคิดไปในทางความจริงตอนนี้ใจเราถูกความหลงหลอกให้คิดไปในทางความไม่จริงจนคิดไม่แก่คิดไม่เจ็บคิดไม่ตายเนี่ยเป็นเป็นอำนาจของเอาวิชาพาให้หลอกคิด ทำให้เราเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอเรามาดับวิชาด้วยปัญญาด้วยธรรมะว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปมันก็จะคิดไปในทางความจริงว่าเอร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไ่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ห้ามไม่ได้ทุกข์ไปเปล่าๆมันก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเรื่องของวิชาปัจจยาสังขาราพอระดับวิชาด้วยปัญญามันก็จะเป็นธรรมมาปัจจยาสังขาราก็คือความจริงธรรมะก็คือความจริงความจริงที่จะสอนใจว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่แหละพอเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายเป็นของเราไม่มีความอยากให้มันไม่เที่ยงไม่มีความอยากให้มันเที่ยง ไม่มีความอยากเหล่านี้มันก็จะไม่มีความทุกข์ขึ้นมามันก็มันก็จะหลุดพ้นอยาไม่มีความทุกข์กับร่างกายเราต้องมีธรรมะถึงจะไม่ทุกข์ตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไม่มีธรรมะกันถึงแม้มีก็มีเดี๋ยวเดียวเนี่ยมาฟังเทศก็ฟังได้เดี๋ยวเดียวพอออกไปปั๊บก็ลืมไปแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายยังต้องคิดบ่อยๆแล้วก็ต้องไป ทดสอบดูว่าคิดแล้วทําได้หรือเปล่าพอเจอความแก่ปั๊บก็เฉยๆไม่เป็นไรแก่ก็แก่พอ เ, เจอความเจ็บก็ไม่เป็นไรถึงเวลาถ้าต้องเจ็บก็เจ็บไปเวลาเจอความตายก็ไม่เป็นไรตายก็ตายถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันต้องไปพิสูจน์ดูว่าความคิดของเรานี้เราทําตามความคิดที่เราคิดนี้ได้หรือเปล่า ถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราก็มั่นใจว่าต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้วเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายหมดหรือยังเอาเลย เ, เดี๋ยวเยวลยสักกี่ข้อเอาสักสามข้อนี้ไหมะคําถามจากคุณสุภวัตรรวมจิตทําอย่างไรครับ ก็ใช้สตินี่แหละให้ใจเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าอย่าเอาทั้งสองอย่าง <Okay. S 1> แต่ถ้าจาเป็นยาวทั้งสองอย่างก็ไม่ห้างแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันน่าจะง่ายกว่านะดูลมไปก็ดูอย่างเดียวพุทโธไปก็พุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตมันก็จะรวมได้คาถามจากคุณอุมาพร การที่ถวายปัจจัยมากได้บุญมากถวายปัจจัยน้อยได้บุญน้อยบุญนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจที่มีความศรัทธาหรอกค่ะต้องมีศรัทธาก่อนถึงจะได้ทําถ้าศรัทธาน้อยก็ทําน้อยถ้าศรัทธามากก็ทํามากถ้ามีศรัทธาแล้วไม่ทํามันจะมันจะได้บุญได้อย่างไรบุญไม่ได้เกิดจากการมีศรัทธ า, าแต่การจะทําบุญได้ต้องมีศรัทธาก่อนถึงจะทําบุญได้ต้องเชื่อว่าทําบุญแล้วได้บุญถึงจะทําบุญกัน ถ้าทำบุญว่าไม่ได้บุญใครอยากจะทำกันคำถามสุดท้ายจากคำถามจากคุณวชิราพรเคยนั่งภาวนาแล้วจิตรวมจิตเย็นมากๆ ก, กายเบามีความสุขมากจนไม่อยากลุกนั่งแปบ๊บเดียวในความรู้สึกแต่จริงๆห้าชั่วโมงลืมไปทำงานเลยเจ้าค่ะตอนหลังอยากจิตรวมอีกแต่ทำไมทำไม่ได้เจ้าคะเพราะมันไม่ได้รวมด้วยความอยากเนี่ยมันรวมด้วยการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียว จดจ่ออยู่กับอารม์เดียวอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปให้มันหยุดความคิดหรือถ้าไม่มีอะไรเพ่งแต่มีสติหยุดความคิดได้มันก็รวมได้เหมือนกันเฉั้นอย่าไปอยากเพราะความอยากมันเป็นความคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องลืมอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปหวางผลที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปหรืออยู่กับวิธีที่ทำให้เรารวมเมื่อครั้งก่อนเมื่อครั้งที่แล้วมันรวมด้วยวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมได้หมดแล้วนะคำถามมีใครอยากจะถามมั้ยถ้าไม่มีก็จะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณาไปปฏิบัต